ผ่านเข้ามาในจิตใจ f flow State เป็นทฤษฎีจากนักจิตวิทยาชื่อมิลาฮีชักเซนมิไฮผู้เขียนหนังสือเรื่อง Flo w ด e ะฟิกโค o โ o จี o อฟอ t i ติม e ลเ e ็ก e เส่วน b e อิ g in t เด zone เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับโฟ State ฮิลยังใช้คำอื่นๆอีกเช่นจิตใต้สำนึกซึ่งควรจะได้อธิบายให้คุณเข้าใจ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 จบบทวิจารณ์จะเสริมสร้างศรัท ธ, ธาได้อย่างไรข้อความต่อไปนี้สำคัญมากในการทำความเข้าใจกับความสำคัญของการเสนอแนะตัวเองเพื่อแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเงินทองคําว่าศรัท ธ, ธาหมายถึงสภาวะจิตใจที่จะถูกชักนําและสร้างสรรด้วยการยืนยันหรือออกคาสั่งซ้าๆไปยังจิตใต้สานึก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 แต่มันจะตอบสนองต่อพลังที่เข้ามาสู่มันผสมผสานอารมณ์เข้าไปในความคิดได้มากน้อยเพียงไรจบบทวิจารณ์คนจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกให้เป็นกาลังหลักของจิตใจอย่างไรก็ตามศรัทธาในตัวคุณไม่ได้มาจากการอ่านเพียงแค่คําแนะนำคุณจะต้องเข้าใจทฤษฎีอย่างท่องแท้และเริ่มนำมันไปปฏิบัติด้วยประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ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 เป็นวิธีทางเดียวที่จะควบคุมอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลและนำไปใช้ประโยชน์ความอาศ จ, จา์แห่งการเสนอแนะตนเองเป็นความจริงที่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามที่คุณย้าซ้ำๆกับตัวเองไม่ว่าข้อความนั้นจะจริงหรือไม่ถ้าคุณโกหกซ้าไปซ้มาในที่สุดคุณจะยอมรับคำโกหกนั้นว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านั้นคุณจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็น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 J.P. พีมอร์แกนเป็นนักการเงินการธนาคารแห่งวอลล์สตรีทผู้มังคั่ังร่ำรวยและทรงอิทธิพลบริษัทของเขาได้ให้บริการดังการเงินแก่บริษัทอุตสาหกรรมในอเมริกาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ยี่สิบผู้อ่านทุกท่านต้องทราบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงอยู่ในช่วงต้นของศตวรรษที่ยี่สิบนั้นทั้งการเงินธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่ในมือของคนเพียงสองสามร้อยคนเท่านั้น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 มอร์แกนจึงได้มองเห็นปัญหาในการควบรวมบริษัทอื่นๆว่าการควบรวมกิจการจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยถ้าปราศจากคารนิี้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสุนทรพจน์ของชวบในค่ำคืนของวันที่12ธันวาคมปีคิตศกาช1900ได้แสดงให้เห็นอย่างไร้ข้อสงสัยว่ามอร์แกนสามารถเข้าไปครอบครองอาณาจักรธุรกิจอันกว้างใหญ่ไพศาลของคาร์นิได้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 มอแกน ร, รู้ดีว่าสำหรับคานิกี้แล้วการทำเช่นนั้นต้องใช้เงินทุนมหาศาลและหมอแกนก็รู้ดีว่าคานิกี้ไม่ยอมระดมเงินด้วยการขายหุ้นของเขาออกมาแน่สิ่งที่ฉวับต้องการจะสื่อก็คือแทนที่จะไปวอลสตรีทเพื่อระดมทุนมาต่อสู้กับกลุ่มคู่แข่งคานกิกี้อาจสนใจที่จะขายกิจการของเขามากกว่าจบบทวิจารณ์ดังนั้น งานเลี้ยงที่ยู i v e วอร์ซิตคลับคืนนั้นจึงได้นำมาซึ่งบทสรุปมอร์แกนกลับบ้านแล้วนั่งคิดเกี่ยวกับการคาดการณ์ของชวอบส่วนชวอบก็กลับไปพิสเบิร์กเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจให้คานิกี้ต่อไปขณะที่แกรี่และคนอื่นที่เหลือกลับไปเตรียมติดตามกระดานหุ้นเวลาผ่านไปไม่นานนักมอร์แกนใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการพิจารณาเหตุและผลที่ชวอบได้บอกไว้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 แน่นอนว่าไม่มีใครจ่ายเงินมากขนาดนั้นด้วยเงินสดได้ในการแข่งขันกอล์ฟที่สนามในเซนต์แอนดรูเมืองเวสต์เชสเตอร์คาร์เนกีสวมเสื้อหนาวและชาลีก็ยังคงพูดไม่หยุดเหมือนเคยแต่ไม่มีการพูดคุย เ, เรื่องธุรกิจจนกระทั่งได้นั่งคุยกันในเรือนรับรองของคาร์เนกีเช่นเดียวกับที่ได้เกลี้ย ก, กล่อมให้มหาเศรษฐี80คนที่ยูนิเวอร์ซิตี้คลบเคลิบเคมมาแล้วฉวบให้สัญญากับคาร์เกี